มัคคสัจจะนิเทศ402ทุกขานิโรธามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์แปดนี้นั่นแลได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสม 2. สัมมาสังกปัปปะดำริชอ บ, สามมาชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ สสัมมากรรมตตะกระทำชอบ 5. สัมมาอาชิวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบสัมมาทิทฐิเป็นอย่างไรคือความรู้ในทุกข์ความรู้ในสุขสมุท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 ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งสงดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมอาจารย์ที่มีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่สองเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยชาจรที่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 กล่าวสละเรินว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข 4. เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมณนัตและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุเจตุทธฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าทุกขนิโรคามินีปฏิปทาอริยสัจ